ใจคนอื่นจากใจของเราใจมีพื้นฐานเหมือนกันความบริสุทธิ์ผุดผ่องมันเริ่มต้นเหมือนกันหมดแต่ทำไมบางคนจึงไม่รู้จักใจคนอื่นเพราะว่าเขาไม่รู้จักใจของตัวเองเพราะนั้นอยากจรรู้ใจคนอื่นดูใจเราเถอะธรรมชาติเหมือนกันจึงบอกว่าพยายามสร้างเหตุปัจจัยสร้างความคุ้นเคยสร้างความเคยจินสร้างอนุสัย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 จะเรียกว่าชีวิตชีวาชีวิตชีวามันท้องเบิกบานนะแต่ถ้าหากว่าเราขาดความรู้สึกตัวมันจะมีเกิดขึ้นคือความหลงลืมตัวเมื่อหลงลืมตัวเมื่อไหร่แล้วก็มันอันตรายแล้วจิตมันก็จะคลุ่นคิดไปในเรื่องที่คลุ่นคิดสิ่งที่ค้างคาใจมาตั้งแต่อดีตมันก็เก็บออกมาคิดนะมันสนุกเก็บออกมาคิดเพลินอยู่กับเรื่องอดีต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 เป็นแขกหน้าดำที่เราไม่ได้เชิญเข้ามาเยี่ยมบ้านเราแขกหน้าขาวคือแขกที่เป็นบุญกุศลมาเถอะถ้าแขกหน้าดำจอนมาแล้วก็ระวังให้ดีเห็น ไ, ไหมมันจอมาสู่จิตแล้วก็จิตแล้วก็ดํามืดแล้วก็เพลินไปกับแขกที่จอนมาถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะตัดผู้นี้ได้หมดเลยมันไม่มีตัวตนนะความคิดเนี่ยโอ้แต่เราก็เห็นว่ามันมีอิทธิพลกับเรามาก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 แต่ว่าเราใช้ใช้ความคิดวางแผ น, นแก้ปัญหาพวกเนี้ยคือความคิดที่เราตั้งใจคิดั้งนั้นเลยมีประโยชน์แต่เราลืมไปว่ามันมีความคิดที่จรมามันมีอีกหนึ่งความคิดแต่เราก็ไปเชื่อตัวนั้นเช่นเราวางแผนว่าวันนี้จะทำอะไรอ๋อนี่สติเกิดเลยนะใช้สติไป็นการคิดพอเริ่มทำปับ๊บเดี๋ยวจะมีความคิดปรุงแต่งแล้วโอ้พอเถอะ มันคงจะไม่ได้ผลคงจะไม่เวิร์กว่ก็จะหาทางเลิกจิญสติหน่อยหนึ่งโอ้เลิกดีกว่าอันนี้เป็นความคิดที่จอนมาและเราก็เชื่อมันมีน้ำหนักมากมันมาที่หลังลืมอุดมการเก่าๆของเราที่จะทำในสิ่งนี้ความคิดทีแรกเนะ่เป็นความคิดที่ถูกต้องแต่ที่จอนมาเนี่ยมันเป็นแขกที่เราไม่ได้เชิญแล้วความม่โต ก, กังวลความหวาดระแวง เราก็เชื่อไม่พิจารณาดูก่อนเชื่อเลยมันเหมือนเซลที่เราไม่ต้องการจะซื้อของเขาแต่เขามาเชื่อเชิญหน่อยก็ดีเงินนะราคาเท่าไหร่แพงไหมลดได้ไหมเข้าทางเซลแมนเลยเราก็ต้องซื้อจนได้เสียเงินพอก็กลับไปแล้วไม่น่าซื้อเลยนั่นเป็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดมันไม่มีตัวตนแต่มันมีอิทธิพลมากมันพาคนไปฆ่าตัวตายก็ได้ พาคนไปทำร้ายคนอื่นก็ได้เพราะความคิดแบบเนี้ไม่ใช่ให้รังเกียจนะให้เรียนรู้ให้เท่าทันว่าไอเนี้ยตัวอันตรายเป็นดาบสองคมแต่ที่จริงแล้วตามหลักศสนาธรรมแล้วความคิดอะไรก็ตามมันก็คือความรู้สึกของจิตเรานั่นเองถ้าไม่มีจิตเนี่ยความคิดจะมีไหมความคิดเป็นเพียงความรู้สึกของจิต ถ้าจิตไม่รู้สึกเท่ากับสิ่งนั้นไม่มีนะความคิดเป็นเพียงอาการของจิตที่ปรุงแต่งตามธรรมชาติเท่านั้นแนหะถ้าเราไม่มีความคิดตัวเนี้ยเท่ากับเราไม่มีอะไรเลยเหมือนกันนะมีแต่จิตรุนๆเบาสบายแต่เวลาความคิดมันจรมาเนี่ยเราไปให้ค่าให้ความสําคัญมั่นหมาย มันจึงมีความหมายในจิตใจเราถ้าเราไม่สนใจไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายเมื่อมันคิดมาแล้วประเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติแต่เราไปให้ค่าความสำคัญมั่นหมายพอคิดมาปับ๊บเราไปวิพากษ์วิจารณ์ไปหาเหตุหาผลหาอะไรละเอียดเอาถูกเอาผิดมันก็เบ่งบานในใจเราใช่ไ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 เขาไม่น่าจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแบบนี้มันไม่เคยมีเราเลยมีแต่เขามันก็ทิ้มใจเราเป็นทุกข์นะเขาก็นู้นเขานี้ไอ้เขามันทิ้มแทงนะพะเราไปให้ความสำคัญมันหมายกับคาว่าเขาเขาเขาเขาไอ้เขาไม่เป็นไรหรอกไอ้เราถูกทิ้มทุกเพราะเขามาทิ้มใจเราในชะ่ไะมพะเราไปให้ความสำคัญมันหมายกับความคิดไปปรุงแต่งต่อเติม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 เสียงมันดังอยู่แค่หูนะมันก็จบอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราไปอึดอัดลำคาญ เ, เสียงมันดังจังทำไมมาทำอะไรตอนนี้เสียงมันก็ดังในใจเราพอเราไปให้ความสำคัญมั่นหมายไปให้ค่ามันทั้งสองด้านเลยนะให้ค่าในด้านที่ไม่พอใจมันก็มีความหมายในใจเราถ้าให้ค่าในด้านพอใจมันก็มีความหมายทั้ง อภิชชาแล้วก็โทรมานับเนาะทั้งสองอย่างเลยมาเข้าครอบงำใจเราสิ่งนั้นมันก็มีความหมายในใจเรามันก็มีน้ําหนักมันก็หนักพวงจิตพวงใจเราแล้วเราก็เป็นทุกข์เนี่ยไม่มีตัวตนนะแต่มีอิทธิพลมากเรื่องของความคิดเ้องการปรุงแต่งแม้แต่เรื่องของทุกขเวทนาทางกายความป่วยไข้ความเจ็บไข้ที่เกิดขึ้นทงนังด้านร่างกาย ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญมั่นหมายกับมันใจมันก็ไม่เป็นทุกข์นะความจะใไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้ามันเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเราโอ้โหมันเป็นอะไรเนาะมันจะหายไหมเนี่ยถ้าหายไม่ทันวันนี้นี่เราแย่เลยเราจะไปทาํางานยังไงแล้วใครจะเลี้ยงลูกเราเลื่องโอ้โหเรื่องของความป่วยมันจบไปแล้วนะปัจจุบันเรื่อ ง, องความคิดมาปรุงแต่งต่อเลยเห็นไหมโอโ้มันป่วยหนักป่วยทางกายไม่เพียงพอป่วยทางใจด้วย เกิดความทุกข์ใจซ้อนป่วยซ้อนป่วยดับเบิลป่วยและใจมันป่วยมากกับด้านร่างกายทุกมากเลยถ้ารู้ทันอ๋อนี่ร่างกายจะแค่ได้ป่วยนะเอากินยาซะพากายไปหาหมอให้หมอรักษามันหายก็ดีไม่หายก็ไม่เป็นไรหรอกมันหายก็ดีไม่หายก็ไม่เป็นไรมันก็ดีทั้งคู่ถ้าเรามันต้องหายไปหาหมอมันต้องหายและมันหายอย่างที่เราบอกไม่ต้องไปหาหมอหรอก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 ลองทําอย่างนีง้มัสลองปฏิบัติทําแบบคนพิการมั้งสิบางทีมันได้ผลนะคือได้ดูแลเฉพาะจิตใจอย่างเดียวเนะี่ยเรื่องกายก็ปล่อยๆมันซะบ้างนะไม่ได้ทิ้งแต่ว่าพอสมควรกับมันใช่ ไ, ไ ม, มันช่วยได้ขึ้นอยู่กับใจเราเนี่ไปใ ห, ให้ค่าให้ความหมายขับมันมันจึงมีความหมายในใจเราเป็นธรรมะที่ฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเข้าใจแต่ว่า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 อย่าเข้าไปอยู่อย่าเข้าไปตรึงอย่าเข้าไปแน่นอย่าเข้าไปยึดอยู่แบบชั่วคราวแบบนเนี้ยเนี่ยสาลาปันมีเนี่ยเนี่ยเรามาอยู่ชั่วคราวนะเดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันไปการมารู้กายเนี่ยก็รู้แบบชั่วคราวเอากายมาเป็นเรียกวิหารละธรรมเป็นเครื่องอยู่ไปก่อนถ้ามันเกิดมีความคิดออเราก็รู้ได้อ๋อนี่มันคิดเนาะแล้วก็ทิ้งมันไปมันหลอกเราเยอะมันคิดแล้วก็ทิ้งมันไปอย่าเพิ่งไปตามดูมันมันคิด แล้วก็ทิ้งมันไปอย่าไปรอว่าเมื่อไหร่มันจะคิดเราจะได้รู้เนี่ยช่วงที่ระหว่างที่รอให้มันคิดแล้วก็รู้เนี่ยจิตมันลอยลนะมันคิดแล้วมันปรุงละมันหลงลนะหลงคอยเห็นไหมถ้ายังไม่เกิดอย่าไปหลงคอยอย่าไปหาดูมั น, นามารู้กายเก็บเกี่ยวสติไว้ที่กายเอาเคลื่อนไหว ก, ไกระดักกรดิกนิ้วกระพริบตาลมหายใจก็ว่างเหรือการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติ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 ถ้ามีสติรู้กายบ่อยๆเนี่ยมันตัดความคิดไม่ให้เกิดก็ได้คนที่จิตใจฟุง้งซ่านลองฝึกรู้กายดูสิเพราะกายมันไม่ฟุง้งไายมันฟุ้งไม่ได้กายมีแต่เรื่องเวทนาให้ดูเท่านะั้นเรามารู้กายสิจิตจะไม่ค่อยฟุง้งซ่านสติที่เนื่องด้วยกายเนี่ยมันคมมันชัดคมชัดมากเป็นการสร้างตัวรู้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 นายขอดูหน่อยดูซิดูซิยังดูไม่เห็นถ้า้าดูแลเห็นเนี่ยเป็นนิพพานาแล้วดูแลเห็นเห็นอะไรเห็นรูปเห็นนามสติเนี่ยไม่มีอะไรละมีเพื่อจะให้เห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามเห็นทุกของรูปเป็นทุกของนามเห็นอาการต่างๆของนามเห็นธรรมชาติเห็นความคิดเริ่มแล้ว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 ถ้าที่กายมันจะแตกจิตมันจะออกแต่เราไม่ยอมมันใน่ไหมไม่ต้องกังวลนะโอ้เราไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บทำไมไม่กลัวเจ็บแล้วไม่กลัวตายบ้างเมันไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บโอ้บางคนบอกไม่กลัวตายแต่กลัวแก่เพราะแก่นี่มันง่อยมันเซ็งมันก็จะมีความกลัวอยู่ทีทุกอย่างมันจะแตกแยกก็ไปเป็นธรรมชาติไป จิเนี่ยเวลาเราจารสติบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่ามันทำอะไรของมันเองหมดเลยมันจะรู้เองเห็นเองวางเองพูดถึงเรื่องกาไปฏิบัติแล้วมันก็ยาวแต่เวลาที่เราทำเนี่ยเวลาเราเจารสติหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันย่อมมีอุปสรรคมีไหมอุปสรรคเนี่ยคือจิตมันไปสะดุดอารมณ์คาว่าสะดุดนี่คือมันไปต่อไม่ค่อยสะดวกแนละ้วพอสะดุดแล้วต้องไม่สะดวกจิตไปสะดุดอารมณ์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 คนที่เจริญสติได้ที่แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์เลยนะอุปกรณ์การเจริญสติทั้งนั้นเลยไอตัวนิวรธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมานู ป, ปัตนสติปฐานเอามาเป็นฐานที่ตั้งของสติเห็นไได้ปัญญาจากสิ่งเหล่านี้แต่คนที่ยังเข้าไม่ถึงความรู้สึกตัวที่แท้จริง<ม>ก็ต้องสะดุดไปก่อนล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาอุปสรรคเ่าเนี่ยมันมีวิธีแก้ไข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 หลวงพ่อพ ok ูดประโยคเดียวว่าอย่าเข้าไปเป็นมันน้อนี้ไม้เด็กของหลวงพ่อนะอย่าเข้าไปเป็นมันโอ้วันนี้หนูเบื่อจังเลยเห็ฮ้ยพ่อบอกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่วันนี้เห็นมันเบื่ออย่าเข้าไปเป็นมันวันนี้หนูง่วงเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อย่าเข้าไปเป็นมันให้เห็นมันดูมันแต่อย่าเข้าไปเป็นมันโอ้ย ประโยคเนี่ยจำว้ใช้ตลอดชีวิตเดูมันเห็นมันอย่าเข้าไปเป็นมันเพรเป็นไม้เด็กของหลวงพ่อแล้วผ่านตลอดเลยเป็นบทสรุปทั้งหมดของการจารสติอย่าเข้าไปเป็นมันเพราะการปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเข้าหรือเพื่อปล่อยถ้าเข้าไปเป็นเนี่เราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัติถ้าอย่าเข้าไปเป็นมันเนี่ยแม้แต่นักปฏิบัติก็ไม่มีนะอย่าเข้าไปเป็นมันเนี่ย ว่าเป็นไม้เด็ดที่ผ่านตลอดหลวงพ่อบอกมันเป็นฟรีเวย์ผ่านตลอดเลยลองใช้ดูสิอย่าเข้าไปเป็นมันอันเนี้เป็นไม้เด็ดของหลวงพ่อผมเองก็ได้ใช้ บ, บ่อยๆใช้โดยที่ไม่รู้ตัวมากกว่ว่าเราใช้ไม้นี้ด้วยเพราะว่าได้ยินได้ฟังได้อ่านจากหลวงพ่อที่ท่านสอนได้ทําเวลาที่เกิดอุปสรรคทั้งหลายก็ตรงนี้แหละผมเองนี่ที่ได้ใช้ตรงเนี้ยเพราะว่า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 เพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาชีวิตโดยตรงเป็นการดับทุกข์ทุกข์มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันต้องรีบดับทุกข์ก่อนเหมือนไฟที่ไหม้อยูนศีรษะต้องรีบปัดรีบปัดทุกกันรีบปฏิบัติธรรมนั่นเองมันดีตรงเนี้ยมีบางคนเนี่ยเคยอยู่ที่ป่าสุโกโตนะได้ทําบางท่านเนี่ยมีความทุกข์ไปอยู่ที่วัดเพื่อจะไปดับทุกข์ถามก็ว่ามีวัดทำไมบอกเขามีความทุกข์มาก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 อดช่วยไม่ได้มันก็ดีนะแต่มีสิ่งที่ดีกว่านั้นน่ะมาปฏิบัติธรรมไฟกําลังไหมศีรษาแล้วทําไมถึงไม่รีบปัดมัวไปทําอย่างอื่นอยู่บอกว่าคุณลองทําอย่างงี้สิคุณลองทอําททตัวเป็นคนพิการบ้างสิคนพิการเขาไม่ต้องทําอะไรนะเขาทําไม่ได้นะอลองทําดูสิงั้นคุณก็ขยันเรื่อยไปล่ะคนพิการก็ต้องทํางานเหมือนกันแต่ทําความรู้สึกตัวเป็นงานหลัก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 ผูกบังคับเลี้ยวแบบไม่หลงนะเลี้ยวอยู่บนเส้นทางธรรมเลยได้ปฏิบัติธรรมได้ศึกษาชีวิตได้มีทักษะมีประสบการณ์ได้พบผลทางความดับทุกเลี้ยวเลี้ยวแบบไม่หลงทางถ้าเลี้ยวไปลงขวดเหล้าแล้วติดในใบาาบุกมันก็ตกอใบาาภูมท่าเองมันเลี้ยวดีนะเลี้ยวแบบเนี้ยเลี้ยวสู่บนเส้นทางธรรมหากว่าไม่ได้อยู่บนเส้นทางธรรมเนี่ไม่รู้ชีวิตจะเป็นอย่างไรนะ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 ยังไม่ชัดเจนมันแตกขันห้ากระจายเป็นกองๆไปเลยมันเห็นปาสติมันเต็มรอบแล้วมันเห็นได้เหมือนกันนะเข้าสู่ความรู้สึกตัวเกิดภาวะที่ดูขึ้นมาเพราะเห็นว่ามันไม่มีตัวเรานะมีรูปมีนามีเวทนามีจิตมันไม่มีตัวเราพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจิตมันไม่ค่อยมั่นคงแล้วมันเกิดความคิดแทรกเข้ามาแล้วกลัวกลัวกล้ากล้า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 รู้ไม่ทันมันสงสัยพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีครูบาอาจารย์แต่ผมอยู่ที่บ้านนะครสวรรค์หลวอพ่าคำเขียนอยู่ชัยภูมิอยากจะถามท่านก็ถามไม่ได้เขียนจดหมายส่งไม่ได้เพราะน้ำท่วมบ้านขาดการติดต่อเอาจดหมายวางไว้ก่อนอจระตะสติรู้ ก, กายไปก่อนรู้ ก, กายเคลื่อนไหวไม่สนใจ มันก็มีอาการแบบเนี้ยแบบมันหาตัวไม่เจอคลิกมือไปเรื่อยมันเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาว่าภาวะที่สลัดสลัดอารมณ์ใยการกลับมาเป็นผู้ดูเลยดูเห็นไม่เข้าไปเป็นโอ้นี่มันไม้เด็กของหลวงพ่อนี่จับไม้เด็กของหลวงพ่อมาใช้ดูแล้วเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นดูแล้วเห็นเนี่เป็นวิปัสนา และไม่เข้าไปเป็นเนี่ยเป็นผลนะโอ้เลยหลุดมาตรงเนี้ยตรงไม้เด็กของลุงพ่อเนี่ยโดยที่หลุงพ่อยังไม่ได้ตอบมาเลยนะเราทําไปเราสงสัยอย่าเพิ่งถามทําไปเรื่อยๆมันได้คําตอบเป็นคําเฉลยจากลุงพ่อว่าดูแล้วเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นที่หลุงพ่อเคยนําไปใช้แก้ปัญหาคนอื่นก็มาใช้กับเราได้ตั้งแต่นั้นมาต้นมาเนี่มันเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นคนพิการไม่เป็นอาจารย์กําพล ไม่เป็นพระอริยะไม่เป็นเทวดาไม่เป็นพรมไม่เป็นอะไรท้งนั้นและเป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรมันอยู่แบบทำหน้าที่เท่านั้นทำหน้าที่พร้อมเลิกเป็นคนไม่มีอนาคตเก็บเอาอนาคตมาใช้หมดแล้วมีแต่ปัจจุบันมันสบายนะไม่เป็นอะไรนี่มันไม่พลุงพลังนะเป็นอะไรก็พลุงพลังนะไม่เป็นอะไรอยู่เพราะทาหน้าที่แล้วก็พร้อมเลิกพร้อมจบ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 มันตามดูความคิดมันก็คิดเป็นเรื่องเวลราเป็นละครบทยาวหาที่อวสานไม่ได้เพราะเราไปให้ค่าความสาคัญมันอย่าไปตามดูมันพอรู้เห็นแล้วก็ยิ่งไปรู้เรื่องราวของมันเนี่ยยิ่งยาวไม่จบเรื่องความคิดอย่าให้ความสำคัญมันห ม, มายกับมันก็จบไปง่ายเพราะนั้นไอสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจเนี่ยเรื่องของจิตใจเนี่ย เราไม่สามารถจะควบคุมบังคับมันได้เราอยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบเพราะมันมีความอยากจึงทำให้จิตไม่สงบไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดอเมื่อมันคิดก็อยากให้มันคิดดีๆที่เป็นกุศลแต่มันก็ไม่คิดเ่างที่เราอยากมันคิดทีไรเราเจ็บทุกทีเรามาจะรูสติอยากให้สติรู้บ่อยๆเกิดบ่อยๆแต่มันก็ไม่เกิด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 ใจก็จะเบาสบายผมเองก็รู้นะเรื่องแบบเนี้ยสมัยที่ศึกษาธรรมะใหม่ๆเนี่ยฟังธรรมะอ่านซื้อธรรมะอ่านแล้วเหมือนจะเข้าใจเรื่องจิตว่างเนี่ยโอ้มันว่างว่างจากตัวตนตายก็ว่างจากตัวเราเวทนาก็ว่างจากตัวเราจิตก็ว่างจากตัวเรามันว่างทั้งหมดเลยตอนนั้นอารมณ์ไม่กระทบมันก็ว่างมันเข้าใจนะ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 กายเคลื่อนไหวสติรู้ทันจิตใจมันคิดก็รู้สึกตัวจะคิดแนวลมไหวก็ตามรู้สึกตัวแล้วก็ทิ้งทิ้แต่การทํานอกรูปแบบในชีวิตประจำวันเนี่ยเหมือนอย่างเรากําลังเข้าสนามรบกําลังรบไม่ต้องเรียกหาครูบาอาจารย์แล้วขึ้นสนามก็ต้องรบอย่ามัวเปิดตําลารบดูมันหลงไหะหลงก็รู้สึกมันหลงไปแล้วมันต้องกล้าเผชิญหน้า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 คำว่าปรีตัวนี่ไม่ต้องไปไหนไกลหรือไม่ต้องไปเข้าคอสคือหาโอกาสหาเวลาให้กับตัวเองแล้วแต่เราจะจัดสรรหาโอกาสเพื่อทำในรูปแบบเป็นการสร้างพลังสติให้มันเข้มแข็งซ้อมเอาไว้เอาไวไ้เผชิญกับชีวิตจันทร์บันเรามันจะต่อเนื่องกันจะสอดคล้องกันระหว่างในรูปแบบกับนอกรูปแบบพอทาในรูปแบบแล้วมันเข้มแข็งแล้ว ทำนอกรูปแบบในชีวิตประจำวันมันก็เข้มแข็งและพอเอามาทำในรูปแบบมันก็เข้มแข็งมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่มีช่องว่างเขาบอกว่าเวลาศึกเรารบเวลาสงบเราซ้อมเตรียมพร้อมไม่ประมาทการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแต่ต้องทำเล่นๆถ้าจะทำต้องทำเล่นๆทำแบบผ่อนคลายใครที่มีลูกถ้าเราดูลูก เราเครียดไหมถ้าเราสอนลูกเราเครียดไหมดูก็เครียดสอนก็เครียดนะแต่ถ้าเราเล่นกับลูกอะ่ะเล่นกับลูกอย่ามีสาร ะ, ะมันไม่เครียดการปฏิบรรัติทำการเจริญสติต้องทําแบบเล่นๆแต่ทําเรื่อยๆทําแบบผ่อนคลายอย่าทําแบบเอาเป็นเอาตายมันจะเครียดเพราะว่ามีความอยากจนมากเกินไป ทำแบบผ่อนคลายจะเอาเป็นเอาตายมันจะไม่มีความอยากประสมมันจะได้ไม่ยึดมั่นถือมันเหมือนอย่างเราคลายเกลียดน็อตเนี่ยคนที่คลายเกลียดน็อตไหมคลายคลายมีแต่จะหลุดสบายเลยผ่อนคลายแต่ถ้าขันน่ะโอขันนี่มันเครียดการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทําแบบคลายเกลียวน็อตอย่าไปขันเกลียวน็อตเพราะธรรมะเนี่ยทำเพื่อปล่อยวาง ไม่ให้ทาเพื่อยึดมั่นถือมั่นยิ่งทํายิ่งคลายยิ่งสบายใจทุกข์ลดเนี่ยมันถูกต้องถ้ายิ่งทํายิ่งเครียดจะไห้ได้จะรู้ได้เนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นขอให้เรามีความเพียรสักหน่อยอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนความไม่ทอ้อแท้ไม่ทอ้อถอยอะไรที่มันไร้สาระก็เลิกซะบ้างอะไรที่ทําแล้วมันทําให้สติแตกหรือเสียความรู้สึกตัวไปควรจะงดซะ อไอ้ที่เนิ่นช้าไม่ใช่เรื่องดับทุกข์อย่าไปสนใจเลยยิ่งดีมันเสียเวลาเนิ่นช้าเสียเวลามีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตนเองเดี๋ยวผลการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดหวังไงนะ